เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมความเป็นจริงเรื่องของการเรื่องของการปฏิบัตินี้ก็เราก็พูดเรื่องเดียวคือเรื่องของคนเพราะว่าคนเนี่ยมันเป็นแต่ว่าเป็นตัวศาสน า, าก็ได้นะมาพูดวันงมกหลายครั้งหลายคราว จากการลำดับพูด้าวก่อนในวันในเดือนพฤศจิกายนที่ที่ผ่านมาก็พูดเรื่องของคนเพราะตัวคนเป็นตัวศาสตนาทีนี้ชาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติถ้าเป็นคนก็ไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมได้ต้องเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็บรรลุธรรมไม่ได้ ต้องเป็นมนุษย์เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่นี่ตามหลักที่ท่านแบ่งเอาไว้ก็มี่อยู่ว่ามนุษย์สาเตโตมนุษย์สาเดลฉาโนมนุษย์มนุษย์สาเทโวมนุษย์โสมนุษย์มนุษย์สามนุษย์โสเป็นมนุษย์จึงจะได้บรรลุธรรมเป็นได้ที่ใดเป็นมนุษย์ ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นมนุษย์คือเป็นผู้ที่มีใจสูงถ้าเป็นคนก็ไม่บรรลุธรรมได้ถ้าเป็นจัตมนุษยาสิรัรษาโนก็ไม่มีโอกาสจะบรรลุธรรมได้เป็นจัตคือเป็นได้อย่างไงคือมันคล่องจัตคือผู้ที่คล่องมันคล่องอะไรบ้างเรามาอยู่วัดโมก มันคล้องอะไรบ้างไม่มีใครเห็นกันเราเราเห็นเองค ล, ล้องลลกคล้องล้านคล้องบ้ญญ า, านคล้องเรือนคล้องบุตรพญาสามีคล้องทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆ ม, าๆมันอยู่ที่โน้นจิตใจเราแต่กายมันอยู่ที่นี่ใจมันอยู่ที่โน้นวิ่งโน้นวิ่งนี่บางทีก็คล้องทางตาทางหูทางจมูกรีนกายใจ เรียกว่ามันคล้องอยู่ถ้าคล้องอยู่อย่างนี้เรียกว่าสัตว์เป็นสัตว์สัตว์คือไปทางขวางไม่ไม่คล้องแค่ไปยากมันก็บรถก็เรือที่มันวิ่งถ้ามันไปทางขวางก็ไม่มันก็ล่มมันก็คว่ำเท่านั้นเองเรือที่ไปทางขวางก็ล่มจมถ้าสัตว์ตะวะเนี่ยก็คือขวางอยู่เรื่อยว่าจะสร้างสติมันก็ไม่มีสติสตักที แต่มันก็คล่องโน่นคองนี่เรื่อยตายแต่ว่าตายทําอยู่เดินจักรมอยู่ช้างจังหวะอยู่แต่ว่าใจนั่นมันคล่องอยู่ที่ไหนไม่รู้เพราะว่าใจยังเป็นใหญ่ใจมันเป็นหัวหน้าจะสําเร็จก็พ่อจิตพอจากใจถึงก่อนใจเป็นผู้นําหน้าถ้าทำแต่ว่าทํา ไม่มีสติจะไม่ชัญญาไม่รู้ไม่ได้กำหนดไม่ได้ลงเวทีไม่ได้ลงสนามไม่ได้ออกกายไม่ได้ออกความรู้สึกไม่ได้ออาใจมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวใจมันไปอยู่ที่อื่นแต่เวลาเท่ากันห้าวันหกวันเท่ากันแต่ว่ามันยังคล่องก็ไปในลอดมางครงโบราณท่านว่า โตไม่แจ่กุญแจไม่ไขก็ควายทิละที่ล่างเชื่อกะไวมันก็ไปไม่ได้มันก็กลับขึ้นมาอยู่เพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อให้มันได้ผลก็เลื่อนมาเป็นมนุษย์ไปใจสูงขึ้นมาประเภทภูมิจันท์อะไรคือภูมิจันท์อะไรคือมนุษย์มนุษย์ โสมนุสสาเนี่ก็คือสติสมัญชัญญะสูงจาก อ, าอะไรต่างๆจากตาจากหูหูมันได้ยินก็สัจจะว่ามันสูงแล้วตามันเห็นก็หลุดมีสติเข้าไปรู้ตัวสติสมัญชัญญาเป็นพรห ม, มจัรยถ้าตามันเห็นมีสติเข้าไปรู้เห็นสัจจะว่าเห็นนั้นเรียกว่าประเภทพรหมจรร์แล้ ว, ว ไม่ใช่โกลผมผมผ้าเหลืองผมไปจังเป็นหลักของสากลตามันเห็นลูกมันไม่คล่องมีสติเข้าไปอยู่ไปรูปไปเห็นประสัทแต่ว่าตัวสติเป็นผู้ที่จับแต่ว่าตัวสติเป็นสักแต่ว่าไม่ใช่ปากมันว่า เพิ่นรมาจารย์คือตัวสติสมัยปัญญเมื่อสติลงที่ใดที่นั่นก็บริสุทธิ์สาไม่มีเรื่องไม่มีลาวก็เป็นมนุษย์มาสูงขึ้นยิ่งแรกที่เรามาสร้างจังหวะมาเดินจงกลมมันก็ยิ่งเป็นสิ่งแวดลอมที่ดีแต่เรากำหนดดูกายของเราที่มันเคลื่อนไหวไปมาตามหลักของการเจริญสติปัฏฐานมันสมบูรณ์แบบที่สุด ยิ่งเรามาเคลื่อนไหวลักษณะของการเคลื่อนไหวช่วยเราได้มากคือเดียวไม่เหมือนกับวิธีการอื่นๆวิธีการอื่นก็ก็ได้ทํามาบ้างเหมือนกันการบริกรรมพุโทโธดูลมหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทอะไรนั้นก็มันมันไม่ชัดดีมันจิบเกียดมันไม่มันไม่ตรง ถ้าเรามาดูกายเคลื่อนไหวมีสติเห็นกายมันเคลื่อนไหวมันลงเวทีจริงๆมันลงสนามจริงๆมอนกับนักกีฬาเขาที่เขาลงเวทีประสบการ์ลงสนามทานหลักก็ว่าก <c oughs> ารประพฤติภูมใิใจจันทร์ ส, สดไร้โพลเลวคือการเจริญสติสติไปอยู่ที่ไหนจึงจะคิดว่าเป็นการประพฤติภู ม, มใิใจสติมาดูกายดูสิ ให้สติมันเห็นกายดูไม่ใช่ตามันเห็นเอาสติมันเห็นสติมันรู้แม้แต่เรานั่งอยู่ในที่มัมืดกัางคืนมืดมืดในจุดไฟมันก็เห็นมือมันตะแคงขึ้นมันยกขึ้นก็เห็นอันนี้สติดูเห็นกายเคลื่อนไหวมันเดินก็เห็นมันยกมือก็เห็นจะวางไว้ที่ใดมันเห็นอยู่ที่นั้นจนมันเจ็บการเคลื่อนไหวของกายได้ดี แต่ก็ให้มันอยู่ที่ไหนมันก็รู้อยู่ที่นั่นเมื่อมันรูน้อยู่ที่นั่นนั่นก็เรียกว่ากําลังให้กําเนิดขอ ง, องรพรหมจรรย์วัตถุพืชพรหมจรรย์มีสติดูกายก็เห็นกายเห็นกายที่มันเคลื่อนมันไหวจริงๆว่ามันสมบูรณ์ที่สุดการเจริญสติแบบที่เราทําอยู่มันช่วยเราได้มากมันก็จะปลดเรื่องข้องได้ดี แต่มันคิดไปถึงโลกถึงหลานถึงบ้านถึงช่องคิดกังวลคิดอยากลู้อยากเห็นนั่นมันก็คล้องเลยยิ่งเป็นคนคนก็มีหลายเรื่อง <c oughs> ถ้าเป็นคนปฏิบัติก็หลายเรื่องคุมร้ายคุมดีบางทีก็ขี้เกียดบางทีก็ขยันทำตามความคิดมันขี้เกียจก็หยุดซะไม่ได้ดมูมันขยันก็ทำไม่ได้ดูมั มันจะคิดอยากเดินไปโน่นไปนี่มันจะพูดมันจะทำโน่นทำนี่มันหลายเรื่องไม่ได้ดูมาทำตางความคิดนึกคุมไายคุมดีอขยันขี้เกียจบางทีก็อยากลู่อยากเห็นหรือว่าคนมันหลายเรื่องคนคือหลายเรื่องเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติเพือรวบรัทธก็ลงเวทีว่าให้ดูกายก็ดูกายไป มีสติดูกายเคลื่อนไหวก็ดูไปแต่มไม่รู้ก็เจตนาสร้างมันขึ้นอริยบทใหญ่ๆนี่สีอริยบทคือยืนเดินนั่งนอนอันนั้นก็มันเป็นอริยบทธรรมชาติถ้าเราไม่กำหนดมันก็เป็นไปตามธรมธรมชาตนะิเราจะใช้ธรรมชาติอ น, นั้นก็ไม่ขอเราจึงมีการเจตนามีเจตนาสร้างแต่ว่าสร้างสติ ลองมายกมือดูมันรู้ไหมเดินจงกรมดูแต่เราจะพลิกจะเปลี่ยนในบทแล้วนั่งอยู่แต่เปลี่ยนก็อย่าเปลี่ยนตามความคิดให้สติเป็นผู้รับรู้มันเก่ก่อนให้สติเป็นผู้ทักท้วงมันก่อนทักท้วงโต้ตอบเป็นก่อนสติก็คือโต้ตอบนะตอบเป็นดูมันคิดขึ้นมาอย่จะคุณทํำตามมัน มันจะเปลี่ยนต่อต่อมันดูมันคิดต่อรู้ทันทีมันจะเดินอยู่มันจะหยุดต่อรู้มันจะก่อนตอบมันก่อนมันคิดจะไปโน่นไปนี่ก็ตอบมันดูก่อนพักท่วงมันดูก่อนในที่สุดมันก็จะเห็นแจ้งตามเหตุตามปัจจัยขอเราเราจึงเจริญสติดูกายให้มันเห็นกายจริงๆตัวสติเป็นผู้เห็น เป็นมันเจ็บการเคลื่อนไหวได้ดีคล่องในการดูกายอาจะให้มันเดินอยู่มันก็เดินเห็นมันอยู่มันจะคิดกันมาก็เห็นมันใจถ้ามันคิดถ้าดูกายยังไม่เก่งอย่าเพิ่งไปดูใจถ้าไปดูใจก็ยิ่งมีปัญหาใหญ่ให้มันเก่งเรื่องกายไปก่อนเมื่อเราจะหัด ทำฝีมืออะไรต่างๆต้องหัดมือให้มันดีจับปากปกาดิสอซให้มันเป็นไปเขียนไปมันก็สวยงามาะฉะนั้นวิธีปฏิบัติสำหรับการเจริญสติปัฏฐานแบบนี้ <c oughs> ก็ให้ดูกายเป็นบาทฐานเบิ่มต้นให้มันเจงเรื่องกายให้จับกายได้ดี เราเดินอยู่ก็รู้มันคิดไปทางอื่นก็กลับมาอยู่ที่กายอย่าเพิ่งไปพุ่มเทกับความคิดผู้ที่ทำใหม่ๆให้ทุ่มเทลงอยู่ที่กายเจอก่อนเจตนาสร้างขึ้นมาทำให้สร้างก็ไม่มีสตินี่มันต้องสร้างต้องประกอบไม่ใช่ว่าเอาท่องเอาสติความเลอเลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัว อันนั้นมันไม่ใช่สติปัฏฐานมันเป็นสติธรรมดาสติท่องเอาไม่ไม่เป็นสติจริงๆริงอันเราต้องสร้างยกมือพิกิกมือขึ้นทีหนึ่งมันก็ลู่ขึ้นมาทีหนึ่งหลายลู่เข้าหลายลู่เท้าพอเราสร้างมันก็เราเจ็บเงินเจ็บทองนั่นแหละ อะไรเจ็บเงินเจ็บทองเจ็บหลายปีทีละบาทสองบาก็ได้มากเป็นเศรษฐีมหาเศษรษฐีขึ้นมาการเจริญสติก็้ามาเกานนดิดการกำหนดรูปทีหนึ่งมันมีอะไรเป็นลักพาไปหนีไปมันก็หลายมันก็มากขึ้นแต่บางทีเราเจ็บไม่มากแต่ใช่มากกว่าเก็บมันก็ไม่สมดุลกัน<ม>เราใช้อะไรบ้างวันหนึ่งมันคล่องอะไรบ้าง มันคิดอะไรบ้างบางทีคิดโอ้ทอําบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมามันรู้มันจะเป็นอย่างไงทําไมจึงทำอย่างนี้ทําไมจึองอยู่อย่างนี้แต่หามันใช่ไปแล้วไม่ได้ไม่ได้เจ็บถ้าเราคิดอย่างนั้นถ้าเราถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นแปลว่าเราใช่ไปหมดไปแล้วต้องได้ใหม่หาใหม่อีกไม่พอมันก็เลยไม่ได้มากมันเป็นมหาสติต้องสร้างให้มัเป็นมหาสติ จะยังไงก็ตามแต่เรื่องล่อยเรื่องพันยางอะไรก็ตามเถอะอย่าไปคล้องแหวงไงยังไ ง, ง, ไงเราก็มาจเจริญสติแล้วก็ ต, ต้องสร้างสติแต่มันหนีใจสติก็รีบกลับมาทันทีก็มาอยู่กับตัวสติกำหนดรู้ ท, ทันทีจะทำอะไรก็ตามชีวิตไปจำวัน อะไรก็ตามต้องประกอบสติจะอาบน้จะทานข้าวจะนุ่งผ้าจะหลับจะนอนจะตื่นจะหนักจะเบาอะไรก็ตามมีสติดูมันจะพึืดตะพืดไปอยู่ที่ไหนมันก็มีสติอยู่ในห้องน้ำห้องส้วมมันก็มีสติมันไม่ใช่อยู่เฉพาะการเดินจงกรมการสร้างจังหวะการเดินจงกรมการสร้างจังหวะมันก็เป็นเป็นอธติเลกขลาชของเรา มันก็ง่ายอยส่วนออกจากการเดินจงกรมการสร้างจังหวะนั้นอันนั้นควรที่จะระวังอนั่นเป็นเป็นจุดอ่อนจุดอ่อนมันมีถ้าเราแก้จุดอ่อนมันได้มันก็ไม่มีโอกาสการวิธีจเจริญสติปัฏฐานเนี่ยหลักใหญ่ๆเรามาดูกายดูใจอทางที่ว่าให้ฟังว่าดูกายก่อนกายมันมีอะไรบ้างอเจตนายกมือสร้าง รู้สึกจนมันเห็นกายได้ดีตามกายได้ดีเมื่อมันตามกายได้ดีที่สุดจะพิตามมันก็รู้จะหายใจมันก็รู้เราจะเคลื่อนมันไปที่ใดวางไว้ที่ไหนมันเรื่องมันมันรู้มันมีสมาธิสมาธิคือมันเชื่องมันไม่พยศมันไม่ลุกลี้ลุกลนเหมือนเมื่อก่อนมันหัดได้จริงๆใจเรานี่ใจใจไม่มีตัวมีตน ตัวสติมันเป็นครูฝึกใจไม่ใช่กายเป็นผู้ฝึกตัวสติเป็นครูผู้ฝึกจิตฝึกใจมันก็เชือกที่ปูกวัวปูกควายในจริงเชือกมันเป็นผู้ที่หัดวัวควายจะให้ไปทางซ้ายจะให้ไปทางขวาตัวสติก็เหมือนกันเป็นตัวฝึกจิตฝึกใจไม่ใช่กายเป็นตัวฝึกกายเป็นนิมิตกายเอาเป็นนิมิตสติเป็นผู้ฝึก ไปให้มันอยู่ที่กายแต่ว่ากายเป็นนิมิตแล้วเอากายเป็นที่ตั้งกายมันทำลายมันเคลื่อนไหวเดินจงกรมเอานิมิตที่เดินจงกรมถ้ามันอยู่ที่ตรงนั้นให้มันรู้อยู่ที่ตรงนั้นถ้ามันรู้อยู่ที่ตรงนั้นจิตมันก็ไม่ไปถ้ามีสติถ้าเผลอสติมันก็ไปเลยมันได้โอกาสช่องว่างช่องโว่แลก็เราขังนกขังสัตว์ที่มันมี ช่องว่างช่องหัวงคนลึบลอดออกไปสติเราก็เหมือนกันสติเป็นผู้ที่กํากับเป็นผู้ที่ดูเป็นผู้ที่กักขังเป็นอุบายทําให้จิตมันอยู่ที่ถ้ามันสติมันมีจิตมันก็ไปไม่ไปทางไหนเอาเอากายมันเป็นลิมิตมีสติลงที่ตรงนั้นให้รู้อยู่เมื่อรู้มากกลัวมากกลัมากล จิตมันก็ไม่พยศมันก็รู้เองมันเชื่องเขามันเองมันเห็นกายได้ดีนั่งอยู่ก็รู้ยิบตาก็รู้จะตื่นจะหลับจะนอนก็รู้อยู่เมื่อมันคล้องดูกายแล้วก็เอ้ยจะดูจิตตัวีเองกำหนดจิตทีนี้แต่ว่าเอากายเป็นมิตเหมือนเดิมถ้ามันคิดขึ้นมาก็รู้ให้ไวอย่าให้มันทันได้เรื่องเป็นลาวไปยบเรื่องยาวไป พอมันคิดขึ้นมาก็รู้ถ้ามันไม่คิดก็อยู่กับกายอีกกายนี้จะต้องยืนหยัดเป็นนิมิตตลอดไปในรูกกายแต่มันคิดขึ้นมาก็รู้มันพับทันทีจนในที่สุดเมื่อมันคล้องของสองอย่างคือกายกับใจเป็นผู้ดูมันของสองอย่างกายกับใจก็จแสดงออกมาเป็นความจริงเขาเรียกว่าเป็นปรัมมัช ความจริงของกายความจริงของใจมันเป็นยังไงเห็นธรรมชาติของสองอย่างว่ามันเป็นรูปเป็นนามมันเป็นรูปทานามทำจริงจริงกายกับใจไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรที่ไหนเป็นรูปเป็นนามเรื่องต้นต่อของมันเป็นธรรมชาติของผลคือกายกับใจมาเห็นของสองอย่างนี่ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นรูปทานามทมแล้ว มันก็เห็นอะไรต่างๆอีกไปต่อไปต่อไปเหมือนกับเราเปิดห้องเข้าไปเห็นสิ่งเห็นของภายในห้องมันในอะไรอยู่ที่นั่นบางทีมันมีงูมีหนูมีสิ่งของที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษหรือเป็นคุณมันก็จะเห็นแบบนี้เขาเรียกว่าเห็นอะไรบางทีก็เห็นทุกข์เห็นสมมุติเห็นประมาทเห็นเข้าไป เห็นความโลภความโกรธความหลงเห็นบุญเห็นบาปรู้เรื่องศาสนารู้เรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมเพราะเห็นกายเห็นใจแล้วมันก็เห็นอะไรไปความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องเป็นวัตถุปรมัตตาการที่มันเกี่ยวข้องกับกายกับใจเพราะมันมีตามีหู มีจมูกมีลิน ม, มีกายมีลูกมีรถมีกลิ่นมีเสียงก็มีเกียเก่ยวข้องอะไรต่างๆมากมายแปดหมื่นสี่พันเรื่องแต่เพื่เรื่องตาเรื่องหูเรื่องอจินนาเนี่ยพอมากมายตายพอเรื่องลูกเรื่องรถเรื่องกลิ่นเรื่องเสียงก็มา ก, มา ก, มากความโลภความโกรธความหลงเป็นกุศลอกุศลก็มากเป็นสุขเป็นทุกข์ก็มากเป็นอิทธาลมเป็นอนิฐาลมก็มา ที่แท้มันก็มีกายกับใจครับแต่ก่อนเราเป็นผู้เป็นนะเราไม่เห็นมันแต่ก่อน้าสุขเราก็สุขทุกเราก็ทุกตอนนี้เราเลยมาเห็นแล้เราก็เลยเป็นผู้ดูมันมันสุขมันทุกเรื่องกายที่ว่ามันเจ็บใข้ได้ป่วยเราก็ดูมันตอนนี้แต่ก่อนเราเป็นผู้เจ็บเจ็บหัวปวดท้องเราก็เป็นผู้เจ็บเจ็บหมดเนื้อหมดตัว มีกายก็เป็นทุกข์เพราะกายตายเพราะกายก็มี้มีใจก็เป็นทุกข์เพราะใจตายเพราะใจก็มีเสียเงินเสียทองเพราะใจก็มี้ฆ่ากันตีกันเพราะใจก็มีถ้าไม่รู้มันเป็นทิดเป็นภัยถ้ารู้มันแล้วมันไม่มีปัญหามันหมดพยชน์เหมือนกันพอเรามาเป็นผู้ดูมันแล้มันดูกายเรื่องของกายเรื่องทุกข์ของกายเรื่องสุขของกาย ก่อนเราเอาทั้งหมดสุขก็เอาทุกข์ก็เอ า, ก, ก, เอากายสนะมมื่อว่ามันหิวมันหิวแล้วก็เป็นผู้หิวสตมายก่อนแต่พอเรามาดูมันมันหิวก็โอ้เป็นธรรมชาติของมันไม่ใช่เรื่องทุกข์เป็นเรื่องแก้เรื่องหิวก็แจ้ให้มันละไม่ได้เรื่องกายทุกข์ของกายละไม่ได้มีแต่แจ้มันก็เลยเป็นเรื่องแก้ แก่ได้ก็แก่ไปแก่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ไหวใจมันไม่มีถูกมันเป็นคนละส่วนเพราะเราดูเป็นผู้ดูมันเริ่มกําลังจะมีมักขึ้นมาถ้าเป็นผู้ดูวันแล้วก็เกิดมักกันไปมักคือต้องสร้างให้มันเกิดมักต้องทําให้มันเกิดนิโรธต้องทําให้แจ้งมักกับนิโรธมันอยู่ด้วยกันอย่างเห็นรูปเป็นนามนี่ก็เป็นมักเป็นนิโรธ เป็นมรรคหรือเป็นนีโลดอยู่ในตัวมันเห็นกายมันหิวโอ้มันหิวก็เห็นมันแต่ก่อนเราเป็นผู้หิวมันหนาวโอ้ก็เห็นมันแต่ก่อนเราเป็นผู้หนาวบาทที่เราเป็นผู้เห็นมันมันร้อนเนี่เราก็เป็นผู้ดูไปเห็นของจริงเห็นความร้อนเห็นความหนาวเห็นความหิวเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเราเห็นของจริงเห็นอย่างเปิดเิยถ้าเห็นอย่างนี้เป็นมัน มันชื่นใจดีแต่ว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยแทนที่เราจะเป็นทุกข์มันชื่นใจมันแสดงความจริงให้เราเห็นไม่ได้ว่าเห็นอย่างประเสริฐเป็นดอกไม้ของพระอริยเจ้าเห็นทุกข์ของกายทุกข์ของกายคือต้องแก้ไม่ละละไม่ได้ทุกข์ของกายบางคนทุกข์กายเจ็บไข้ได้ป่วยไปฆ่ามันตายอันนั้นไม่ไมถูก ทุกของกายต้องแก้่มันทุกเรื่องใจต้องละใจมันเป็นทุกเนี่ยมันต้องละละได้ใจถ้ามันทุกขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ได้เมื่อวานพกกุ่กระยมคนหนึ่งที่มาหาเป็นทุกมากเรื่องใจเกี่ยวข้องกับคนอื่นเราเอามาเป็นทุกโดยเฉพาะลูกสาวเป็นทุก์แม่ก็เป็นทุกไปอ่า ลูกเขยลูกสาวลูกเขยเป็นคนไม่ดีแต่เฉพาะเมียของเขาก็เป็นทุกข์แม่ของแม่ยายก็เป็นทุกข์เพราะลูกเขยไม่ดีเดี่ยวเขาเอาเรื่องคนอื่นเรื่องนอกตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้มันมันก็ผลุงพลังจริงเป็นพาละมากมายตายกองดังใจ ทุกเรื่องใจอย่าพึงไปหมดหวังจะพึงไปหมดอะไรในชีวิตมันละได้ละได้จริงๆทุกเรื่องใจกุ้มอกกุ้มใจพอใจไม่คอยใจมันเนี่นละได้เราหัดเป็นผู้ดูมันมันทุกข์ขึ้นมาเพราะอะไรพราเราไปบัญญัติเอาพอเราไปยึดเอาไปสมมุติเอาว่าดีว่าไม่ดี ว่าชอบใจว่าไม่ชอบใจไม่อยากให้เขาว่าไม่อยากให้เขาทำไม่อยากได้ยินไม่ได้ได้ดูเราไปเราไปห้ามคนอื่นเราไปอยากไม่ให้เขาว่าเรามันไม่ได้เรื่องของใจเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ดูมันมันก็เห็นมันก็เห็นมันก็เป็นผู้ดูเหมันละได้ีนโลดมันก็เกิดสมมติความโกรธจะเนี่ย เรามาเห็นโลกเห็นนามตามความเป็นจริงความโกรธความโลภความหลงอยากจะอธิบายความโกรธความโลภความหลงความโกรธก็ชัดอยู่แล้วล่ะดูความโกรธก็ชัดอยู่เป็นทุกข์หน้าดำํำเครียดมองเห็นได้ชัดแต่ความโลภมองไม่เห็นความหลงก็มองไม่ค่อยเห็นเห็นเห็นอยู่แต่ว่ามันไม่ชัดความโลภอย่างนี้นะ บางคนเข้าใจว่าความโลภคือทําไล่มากๆทาํามาค่าขายมากมา อ, อันนั้นมันก็ยังไม่ถัด <c oughs> ความโลภถึงความหมายถึงว่าโลภอารมณ์ตอนที่จะไปเอาอันอื่นก่อนที่จะไปบังเบียดคนอื่นมันเอาแล้วเอาทางอารมณ์ความโลภมันเอาโลภอะไรบ้างโลภ อารมณ์คือความโกรธความรักเนี่ยความดีใจความเสียใจก็เป็นความโลภเหมือนกันเอาความโลภไม่ใช่วัตถุอันวัตถุมันเป็นมันเป็นผลของความโลภแต่จริงๆเขาหมายถึงใจเนี่ยก่อนที่จะไปรักไปป้นไปบังเบียดคนอื่นใจมันมันเอาพอลงแล้วมันเอาพอลงแล้ว เราจะมาเล่น ง, งานกับใจนะความโลภเราเห็นมันมันคิดก่อนที่จะเกิดความโลภ ก, ก็ต้องคิดขึ้นก่อนมันก่อขึ้นเพราะความคิดก่อ น, นถ้ามีสติมันก็เห็นมันเกิดเกิดความโลภอะไ้ความหลงก็เหมือนกันที่นี้ความห ล, ลงไม่ใช่หลงสิ่งหลงของหลงผ้าหลงคญเจหลงอะไรต่างๆหลงชื่อเสียงเหลียงนามหลงหน้าหลงตาแค่นั้นดอกความหลงก็คือหลงอารมณ์ มันหลงอยู่ในอารมณ์แก้ไม่เป็นเขาว่ากับเราเขาว่ากับเราเราดีใจเราเสียใจหลงอารมณ์อยู่นั้นจนในที่สุดก็สดแสดงออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์ดีใจเสียใจออันดีใจอันเสียใจก็ไม่เทีย่ยงเคยถูกมันหลอกอย่างหลงอารมณ์แม่โกรธให้ลูกสามีพันยาโกรธให้กันดานน่ากันทะเลาะกันฆ่ากันตีกัน แม่โกรธให้ลูกตีลูกจนขาแตกเพราะความหลงถ้ามันหายหลงแล้วก็เออก็สงสารลูกหัวเมียทะเลาะ ก, กันเพราะความหลงเมื่อมันหายหลงความหลงมันไม่มีตัวมีตนมันก็หมดไปตามเหตุตามไปแล้วก็ละอายชาวบ้านปิดประตูบ้าเนเงียบเพราะความหลงมันหลอกลว่าถ้ามีสติดีๆมันจะเป็นผู้ดูมัน ดูความโลภความโกรธความหลงเพราะมันเห็นรูปเห็นนามความโลภความโกรธความหลงหาที่ตั้งไม่มีเบาบางลงมันมีรากไม่หมุนติดเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าหมุนอยู่แต่ว่าหมุนเบาๆสติเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมรูปรูปนามเบื้องต้นถ้าเป็นการดึงดูดก็เป็นแม่เหล็กอันเล็กๆดูดเหล็กใหญ่ๆไม่ได้ ดูดเล็กใหญ่ไม่ได้ดูดเล็กใหญ่ไม่มาเพียงแต่ทึ้งวิสเดียวมันก็รู้ทันทีเพราะสติมันมันจะมีสติมันมาก่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนั้นอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงหาที่ตั้งไม่มีหาที่ตั้งไม่ติด มันก็งอนแน่นคอนแคลนไปทั้งหมดจิตใจเราก็เป็นปกติมากขึ้นมีสินสมาธิมากขึ้นการที่จะเกิดสินเกิดสมาธิเกิดปัญญาถ้าไม่รู้เรื่องรูปเรื่องนามจนจิตใจมันเชื่องลงสินไม่มีอันสินที่ว่าในเป็นอริยะกันตสินเป็นสินสิกขาใน พระกับชาวบ้านญาติโยมมีสินตัวเดียวกันปฏิบัติอันเดียวกันถ้าไมทำไมลูบลูบลูน้ำไม่ได้ฝึกขัดจิตมีสติดีสินโมนี่ไม่เกิดพอมาลูบลูบลูน้ำเห็นอารมณ์เห็นทุกข์เห็นสมมุติเห็นบัญญัติ จิตใจมันก็บริสุทธิ์ขึ้นปกติขึ้นไม่ปูไม่ไมแบง่ายเหมือนเมื่อก่อนเพราะรู้เหตุรู้ปัจจัยมีความยับยั้งชังจิตได้ดีไม่ผลผันผันแรงไม่วู้วามเป็นคนทักท้วงเป็นการโต้ตอบกับอารมณ์อาการต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับเราทางตาทางหูทางสมอกร่างกายใจก็ดี สติมันมาพอมีสติดีจิตใจก็ปกติปกตินั่นก็เลยเรียกว่าสินขึ้นมาจนไม่มีเย็นลงเป็นาการตามความเป็นจริงมีสติเข้าไปรู้จนไม่มีทุกข์เรื่องตาเรื่องหูก็เป็นสัจธรามเป็นเรื่องธรรมดา เรื่องกายเรื่องเจ็บให้ได้ป่วยของกายก็มันเป็นผู้ดูเรื่องใจก็สติเป็นผู้ดูเมื่อเป็นผู้ดูเราก็อยู่ตรงกลางไม่เปิดไม่เปื้อนถ้าเราเป็นผู้ดูจริงจริงเป็นสุขเราก็ดูเป็นทุกข์เราก็ดู ด, ดีใจเสียใจชอบใจไม่ชอบใจเราก็ดูมันถ้าเราเป็นผู้ดูอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าประพฤติพรห ม, มจรรย์ไม่เปิดเปื้อนไม่เศร้าหมองใครก็ได้ ชาวบ้านญาติโยมต่นุ่งผ้าหม่มผ้าจีใดก็นะถ้าเราเป็นผู้ดูอารมณ์อาการต่างๆเรื่องความดีใจเรื่องความเสียใจอยา่าไปเป็นให้เป็นผู้ดูมันนั่ น, น, นแหละผมหมายกเมื่อเราประพฤติผมอาจารย์อยู่อะไรเกิดขึ้นมาก็ได้มีมิเมื่อเป็นพมอาจารย์มันก็มีมดเป็นคู่กันหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้น แต่ว่าเราเดินอยู่ในอกมากเดินอยู่ในสายวิมุติหลุดเราออกตลอดเวลาหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นอืมถ้าเราเป็นผู้เป็นไม่หลุดนะคิดฝังทายฝังขวาติดติดเกาะติดฝังค้องแล้วอาจจะเป็นเปลตอาจจะเป็นสัตว์ดีฉานอาจจะเป็นสุลกายนะถ้าไปติดน่ะถ้าไปหล้องก็เป็นสัตว์แล้วจะคล้องอะไรห้องอารมณ์ดีใจเสียใจ ถ้าเป็นผู้ดูก็เป็นพรหมจรรย์เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ที่ตรงนี้นี่เองการปฏิบัติธรรมไม่ใช่อยู่ที่วัดไม่ใช่อยู่ที่บ้านไม่ใช่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไร่ที่นาที่ไหนก็ได้บนรถบ น, นเรือขณะที่ดูลูกฟังเสียงอะไรก็ได้ถ้าเป็นผู้ดูนั่นแหละว่าเราประพฤติพรหมจรรย์มีอยู่ทุกหนทุกแห่งอาจจะพรหมจรรย์เกิดทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงก็ได้ ความรักความโกรธความเบียดช้าพยาบาทมันเกิดมาเราเป็นผู้ดูนั่นแหละเอาเมื่อ น, นั่นแหละอยู่ที่ขณะนั่นหละทุกเวลานาทีเราขึ้นพมัญชันมีอยู่ทุกขนทุกแห่งแล้วก็เป็นหลักสากลไม่ใช่อยู่วัดไม่ใช่รูปแบบต่างๆถ้าเราทําถ้าเรารู้ที่เร า, าหัดนี่หัดสร้างจาังหวาหัดเดินจงกลมเป็นบทเรียนเบื้องต้น เป็นภาคฝึกหัดเป็นภาคทิษฎีแล้วก็เป็นภาคปฏิบัติไปเม่อเราจบหลักได้มันก็นำไปปฏิบัติได้ทุกหนทุกแห่งถ้าเราเป็นผู้ดูมัน เ, เป็นการปฏิบัติแล้วมันคิดึ้นมาก็เห็นมันมันเคลื่อนไหวก็เห็นมันมันดีใจมันเสียใจเรื่องของกายเรื่องของใจจนจบไม่มีปัญหาเพราะกายเพราะใจถ้าเราเป็นผู้เป็ น, ม, นมีปัญหามากมาย รับรองว่าไม่จบแต่ลู่ถึงขนาดไหนก็ตามจะได้ปริญญาอ่าจะจบด็อกเตอร์ก็ตามไม่ชื่อว่าอ่าปฏิบัติธรรมไม่ชื่อว่าประพฤติธรรมไม่ชื่อว่าลู่ถ้าเราเป็นผู้ดูมัน่ะไม่ต้องลู่อะไรก็ตามอ่านหนังสือไม่ออกก็ตามเป็นคนเท่าคนแจ่คนหนุ่มคนสาวนุ่งห่มผ้าสีใดก็ตามถ้าเราเป็นผู้ดูมันนั่นแหละ เป็นผู้ที่ศึกษาทะลุงแล้วย่อยแล้วเลี้ยงชีวิตพอการศึกษาแบบนี้ถ้าเราเป็นผู้ดูมันก็มีโอกาสที่จะเจริญไปมากๆขึ้นทะลุงย่อยไปออกไปมากๆขึ้นถ้าเราเป็นผู้ดูก็ถ้าเราเป็นผู้เป็นก็มืดแปดด้านพลงพลังหลายเรื่องข้องแวะหลายเรื่องบางทีอาจจะเป็นสัตว์ในเลื้อยชันเป็นเป็ดเป็นสุรกายหลายเรื่องหลายหลยักวิธีง่ายๆที่เราทํากันอยู่ ขอให้เป็นมนุษย์เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมขึ้นไปตามหลักที่เร า, าพูดตามหลักของพระพุทเจา้ามีพระโสดาบันพระสจิทาคาเมพระนาคามีพระอาหารหันต์สี่คู่สี่คู่ก็โสดาปฏิมร์โสดาปฏิบดโสดาปฏิผล สจิพาคามิมักสจิพาคามิผลอนาคามิมักอนาคาไ ม, ม, าาไมผลยกตัวอย่างอย่างอนาคามีอนาคามีมักหรือว่าโสดาปฏิมักตามหลักว่ากลับมาเกิดหลายชาติอนาอนาคามีมักเกิดชาติเดียวเขาว่าเกิดนี่บางคนก็เข้าใจว่าเกิดจากท้องแม่ตายแล้วไปเกิด สมมติว่ามันเกิดอารมณ์คิดทีเดียวมันก็หายไปเลยเพราะมีสติทันสมมติวความโกรธเนี่ยมันเพิ่ขึ้นทีเดียวก็ไม่โกรธอีกแล้วมันมีสติเข้าไปรู้ทันกําลังสติมันมากมันก็ลํากาลังน้ามันมากกว่ากําลังไฟมันก็ดับได้เย็นสนิดทีเดียวเหมือนกับใายก็ว่าเราคุ้นคิดความโกรธก็ดีคิดแล้วคิดอีอะมาคิดอีกหลายที บางคนโกรธสี่วันห้าวันเป็นปีอันนั้นเรียกว่าปุถุชนถ้าโกรธมากๆจนเป็นทุกข์ไม่รู้จักทิศทางของอารมณ์ตามความเป็นจริงอันนั้นเรียกว่าปุถุชนถ้าโกรธเพิ่ขึ้นมาความโกรธความอะไรก็ดีดใจเสียใจก็ดีมันคิดได้มันก็รำงับโกรธที่หนึ่งก็คิดได้ระงับลง เป็นความโกรธไปเกิดขึ้นอีกหายเงียบสําหรับพระนาคามีเกิดทีเดียวคือเกิดทางใจอารมณ์เกิดขึ้นมาความรักความโกรธก็ไปโกรธทีเดียวมีสติเข้าไปรู้นะครับลงไม่เกิดขึ้นมาอีกแค่นะี้เอาอารมณ์เป็นเครื่องวัดไม่ได้เอารูปแบบเป็นเครื่องวัดเอาอารมณ์เป็นเครื่องวัดพระโสดาปะพระโสดาบันี่ย พระโสดาบันไม่ได้หมายเอารูปร่างลักษณะเครื่องแบบอย่างเราว่าศึกษาดูว่าทําลายสังโยชน์ได้สามสกยาทิฏฐิวิจิตจีขาสีละพตะปาลมาสสกยาทิฏฐิคือเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นกายตามความเป็นจริงแต่ก่อนไม่เห็นมันถ้าสุขก็นึกว่าเราสุขหิวก็ว่าเราหิวเจ็บไข้ได้ป่วยก็นึกว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่เห็นเป็นรูปธรรมตามความเป็นจริงถือตัวถือตนถือดีถือว่าดีถือว่าชั่วไปดูการกระทำของคนอื่นดูการกระทำของเราเปรียบเทียบกันคนนั้นดีคนนั้นทำดีคนนี้ทำไม่ดีคนนี้นทำดีนนำดสักยญาติทีถือกายพระโสดาบันเห็นกายตามความเป็นจริงมันหิวก็เห็นมันมันทุกข์มันสุขก็เห็นเห็นมั น, มน อันอนมาันาวก็เห็นมันอันนี้พูดง่ายๆวิจิตจิฉาสงสัยความดีความผิดความถูกสงสัยความดีความผิดความถูกปฏิบัติอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกทำไมจึงทาอย่างนี้ทําอย่างนี้มันจะรู้อะไรไม่สงสัยพอเห็นกายเห็นจิตตามความเป็นจริงรราาศีลปฏิปปละมาถือวิธีการรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการปฏิบัติ ทางวิปัสสนากรรมฐานหลายรูปแบบวิธียุบหนอพองหนอสัมมาระหังพุทโธอาณาปานสาติสติปัฏฐานรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะคนไทยเราดีคล้องอยู่กับรูปแบบมากมายไกลก็ไม่เหมือนกับคนต่างประเทศเขาก็เคยไปพูดสอนศาสนาต่างประเทศเกันเขาเลยลัดเข้ามาสู่ภาวะการจเจริญสติปัฏฐานได้ง่ายกว่าพวกเรา พวกเราเนี่มันคล้องแวะอยู่กับพิธีกรรมต้องทำอย่างนั้นไม่แต่ทำบุญทาทานเอาผิดเอาถูกเคาะพิธีกรรมแม่แต่วิธีพูดคำพูดคำสวดสมัยก่อนนี่หลวงพ่อเคยติดมากวิธีกรรมจะกินข้าวก็ต้องมีวิธีแต่นุ่งห่มผ้าก็ต้องมีวิธีจะทำสมำถธิกรมานต้องมีวิธีแต่ลงน้ำจะไปไหนมาไหนมีพิธีกรรมทั้งหมด มันมีศีรับตะปละมาต์เอาศักดิ์ศรีเอาดีเอาผิดเอาถูกกับการกระทำไม่ได้มุ่งถึงจิตใจไปได้มุง่จจไไมงถึงตัวการเป็นพระโสดาบันละอันนีา้าเด็กขาดไม่คล่องแวะแต่ก่อนโอ้ยท่องคาถาอาคมมีพิธีกรรมต่างๆมากมายไปก่อนบัดนี้รู้สึกว่าพอตัวไม่มีไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเล่นเจ้านี้เข้าไปเลยลูกบๆทำนามทำเข้าไป เห็นไม่คล้องแวะกับกายกับใจเห็นตามความเป็น จ, จริงเรื่องอารมณ์เรื่องกายเรื่องร้อนเรื่องหนาวเรื่องหิวเรื่องเจ็บให้ได้ป่วยไม่คล้องเรื่องใจเรื่องอารมณ์ดีใจเสียใจก็ไม่คล้องนี่เรียก ว, ว่าสกยาทิติมิกิจจิขาศีละพตะปลรมาพิธีกรรมภายนอกเป็นพระฮีธาธรรมไม่ไม่คล้องแวะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ ส่วนอัจชัติตาธรรมภายในเนียเล่นงานกับมันเล่นงานกับทางในคืออารมณ์คือจิตคือใจเรามาลูลูลูน้ำลูลูทนาน้ำทำตามความเป็นจริงนี่มันเลยไม่คล่องมันไม่คลองอันนี้มันเป็นไงดีทาลายความโลภ ค, ความโกรธความหลงหมดไปเบาลงจางคลายลงไปจนในที่สุด เป็นมากเป็นผลง่ายขึ้นง่ายขึ้นหมดพล ะ, ะขึ้นไม่คล้องไม่เกี่ยวจนในที่สุดเบาปกติไม่ติดอะไรทั้งหมดวัดกันเรื่องอารมณ์ไม่ได้วัดกันเรื่องรูปเรื่องกายเรื่องเครื่องแบกใจเรามันเชื่องหลกหมดพยศลงหมดพยศลงจนไม่มีเรื่องที่จะต้องทำาลเรื่องกายเรื่องใจไม่มีปัญหาอีกแล้วจบชีวิตจบ ม, มีปัญหาเรื่องของคนมีแต่ธรรมชาติธรรมดาเป็นมิตรภาพในการดำเนินชีวิตคือไม่มีทุกข์ศาสนาคือตัวที่ไม่มีทุกข์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือตัวที่ไม่มีทุกข์พอมาจบลงที่ตรงนี้ถ้าคนเราไม่มีทุกข์เพราะกายเพราะใจคนนั้นเรียกว่ามีศาสนาถ้ายังมีทุกข์เพราะกายเพราะใจอยู่ไม่ชื่อว่ามีศาสนา ถ้ายังทุกข์เพราะกายเพราะใจอยู่ยังไม่มีศาสนาเรามาดูที่ว่าพุทโธ ท, ทุกขสักค า, าตายจะวิคาทายจะหิตตัจมีพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกําจัดทุกข์พระธรรมก็มั่นกันพระสงฆ์ก็มั่นกันสังโฆทุกขสักค า, าตายจะวิคาดายจะหิตตัจมพระสงฆ์เป็นเครื่องกําจัดทุกข์ ต, ตัวที่ตัวศาสนาจริงๆคือตัวที่กําจัดทุกข์ การกําจัดทุกข์อะไรกําจัดทุกข์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อคืนนี่ได้ยินอาจารย์สงัดโคดเหมือนกันพอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรคือสติปัญญาสติปัญญาตอนนี้คืออะไรสติปัญญาคือเครื่องกําจัดทุกข์ทุกไม่เกิดทาไมจึงไม่เกิดเพราะเราเห็นตามความเป็นจริงเห็นรูปเห็นนามเห็นอารมณ์เห็นตาเห็นหูจมูกลิน้นกายใจรูป ล, ลดกลิน่นเสียงตามความเป็นจริงใจมันก็เป็นใจยิดนั่ก็เป็น ใจมันก็เป็นใจกายมันก็เป็นกายมันก็ไม่เกี่ยวข้องกันสองอย่างนี่เกิดความยุติธรรมขึ้นมาไม่บังเบียดกันปุตตุชนคือมันบังเบียดกันบางทีใจมันไปบังเบียดกายเกิดโครคภัยไข้เจ็บเพราะใจก็มีอย่างใจมันเกิดทุกข์เกิดอารมณ์ขึ้นมาดีใจเสียใจฟูฟูแฟ่แฝบางทีเกิดโรคกระเพาะอาหารกินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดโรคประสาร เรือนหน่อยโลหิตจางเกิดโรคมะเร็งขึ้นมาตายไปเขาพอใจมันบังเบียดกันที่นี้กายถ้าเป็นโครคภัยไข้เจ็บก็อา้าไปทุกข์ใจกายก็เลยบังเบียดใจหมู่นี้ใจไม่ค่อยดีเป็นโรคเก็บอดอดแอดแอ ด, แอดอยู่เรื่อยใจก็ไม่ดีหน่าเศร้ามันยังบังเบียดกันอยู่ไม่มีความยุติธรรมพระอริยเจ้าเนี่ย กายกับใจไม่บังเบียดกันเป็นคนละส่วนเป็นคนละส่วนเรื่องของใจกายก็ไม่เกี่ยวเรื่องของกายใจก็ไม่เกี่ยวสมมุติมันเจ็บมันหิวอย่างที่ว่าไปแล้วนะมันหิวเ อ, อ้ใจก็ไม่เกี่ยวไม่กังวลไม่เป็นทุกข์แก้ให้มันก็แจ้ไปมันไม่เกี่ยวกันมันเกิดความยุติธรรมเมื่อกายกับใจได้รับความยุติธรรมมันก็ไม่มีคนมันก็จบ มันก็สิ้นพบสิ้นชาติไม่มีปัญหาเพราะคนเรามันมีสองส่วนเท่านี้น่ะมันมีทุกข์เพราะสองอันเท่านี้แหละเรื่องกายกับใจถ้าเราไม่รู้มันนะรับรองว่าจะเรียนจบขนาดไหนมา ก, ก่อก็ยังไม่ถูกเราไม่ต้องเรียนมากเรียนลัดเข้าไปตรงนี้เลยถ้ามันจบซะเรื่องกายกับใจอย่าให้มันมีปัญหาอย่าให้มันอย่าให้มันบังเบียดกันอย่าให้มันบังเบียดกัน ใครเป็นผู้ลูกใครเป็นผู้สอนท่านทั้งหลายล่ะญาติโยมชาวพุทธเราล่ะจะเป็นครูอาจารย์ของเราเองไม่ใช่หลวงพ่อเทียนไม่ใช่หลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะเห็นเองลูกเองเอาให้กันไม่ได้เป็นแต่วิธีวิธีกรรมที่บอกที่สอนส่วนลูกอ่ะเราลูกเองถ้าลูกลูกลูนานใครลูให้ไม่ใช่คนอื่นลูให้เรารู้เอง ถ้ามีสติรู้ลองศึกษาดูถ้ามีสติจเจริญสติมันมีโอกาสจะรู้ไปได้ะจะเห็นทำไมจะไม่เห็นเนี่ยเรามือวางไว้อยู่ที่นี่ก็เห็นอยู่ว่ามืออยู่นี่ก็เห็นอยู่แต่แคงมืออยู่นี่ก็เห็นอยู่มาลงเวทีนี้จนมันคล่องเวทีกายเวทีใจจนเป็นแข้มเรื่องนี้ขึ้นมาอันก็เขาเล่นกีฬาเป็นแข้มนักมวย อ่าอย่างเขาไปต่อยมวยป้องกันเข้มโลกเขามีฝีมือเขาป้องกันหได้รักษาแชมไม่ได้อันที่เข้ามาการที่เรามาเจริญสติให้สติมันลงเป็นเข้มเรื่องกายเรื่องใจแล้วมันก็เป็นผู้คล่องแคล่วอการคล่องแคล่วเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าด็อกเตอร์มันชํานาญมันชํานาญมันเจ่งมันมีปริญญามันรอบรู้ เรามาเอาปริญญาเนี่ยลอบลูกยาตะปริญญารอบลูกในการรู้ติลกคณะปริญญารอบลูกในการแกแกงออกปริญญาพระพุทธเจ้าแกแกงยังไงแต่งแกะแกงเรื่องรูปเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงเห็นรูปทุกข์เห็นนามทุกข์เห็นสมมุติเห็นบัญญัติเห็นปริมาณเห็นตามความเป็นจริงมันแกขกาไปไม่มีตัวมีตน นี่แตเหตุกับปัจจัยอย่างลุอย่า ง, อ ย, างอย่างกายของเราเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่อะไรมันมีเหตุปัจจัยมันไม่ได้อยู่อํานาจบังคับบัญชาของกูไดมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราไม่รู้มันก็นึกว่าเคาะเข็นเวนกำรรไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่ค่อยดีเป็นสุขสุขทุกทุ ก, ทกล่อนล่อนหนาวหนา อยากจะพูดเลยว่าถ้ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงการเจ็บไข้ได้ป่วยก็น้อยลงโลครคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยเบียดเบียดไม่ค่อยมีภาระน้อยลงเพราะปัญหามันไม่ดังเบียดกันกายมันไม่เบีงเบียดใจใจมันไม่เบีงเบียดกันอาภาษน้อยที่สุดอยู่อย่างมีความผาสุกเป็นคุณค่าของชีวิตชีวิตมีราคาขึ้นมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญที่สุด เพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายลองศึกษาดูจริงๆอย่าเล่นอย่าทาเล่นๆอย่าเป็นคนอย่าเป็นสัตว์อย่าเป็นเทวดาคำว่าคนก็คือหลายอย่างคุ้มายคุมดีอวสัตช์ก็คือคล่องคำว่าเทวดาก็คือหลงไหลมวมเมาในความสุขความวัยวุธผลวุธหรือว่าความสุขความกินความ หลับความนอนในจะออกมาเดินจงกรมสักนิดเดียวสร้างจังหวะก็เห็นใจความสุขความหลับความนอนความพักผ่อนหาความสุขสบายในการอามิตนั่นรีว่าเทวดาหาความสุขความสบายคิดจะหาความสุขความสบายอ่อนเอเพราะนั้นพระพุทธเจ้าไปเทศโปรดเทวดาในต้องขี่ความจริงกุศลธรรมากุศลธรรมา นี่ตัวปัจโนรมนาปัจโยเรียว่าอภิธรรมพูดให้สอนให้อทาธรรมดามันไม่รู้เทวดาต้องเอาความจริงพูดเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องอารมณ์เข้าไปเลยเรื่องตาเรื่องหูเข้าไปเลยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอะไรว่าเข้าไปเลยอันพระพรุทธเจ้าก็คือตัวสติปัญญาสอนเข้าไปเลยแสดงเข้าไปเลยให้เห็นให้รู้เข้าไปเลยมีสติรู้เท่ารู้ทันอืม รู้สึกและรู้ได้เข้าไปมันมากขึ้นมากขึ้นเวลาที่เรามาอยู่รวมกันพยายามสร้างอย่าพูดอย่าคุยกันเกินไปให้เป็นมนุษย์เป็นผู้มีใจสูงอย่าไปคล้องไปแวะอะหัดมันใ ห, ใ, หให้มันเชื่อมให้มันลงเวทีให้มากให้มันลงกายลงใจมันคล่องสองอย่างจะให้มันนี้จากทีนีอ้อย่างอื่นความรู้ความ สุขมันก็มีแต่ว่าอย่าไปหลงมันยืนหยัดเป็นผู้ดูมันบางทีมันก็มีอารมณ์เหมือนกันมันได้อารมณ์รู้อย่างนี้ก็เพลินกับความรู้ที่มันได้ขึ้นมาบางทีก็มีไปคล้องแล้วมันรู้ก็เห็นมันมันไม่รู้ก็ดูมันมันสุขมันทุกข์ดูมันมันคิดไปไหนก็ดูมันยืนหยัดอยู่ที่ตรงนี้แหละอย่าหนีจากนี่ถ้าหนีจากนี่ก็ไม่ไม่รู้ไม่ได้บรรลุธรรม พระพุทธเจ้าก่อนจะบรรลุ ธ, ธรรมคือตั้งสัจจะว่าอย่างนี้ตาไม่ลู่ไม่เห็นจะไม่หนีจากที่นี้ไม่ได้ใช่ไม่หนีจากวัดโมกมไม่หนีจากสติสัมปชัญญะโพธิคือตัวสติปัญญาเนี่ยตัวโพธิต้นโพก็คือตัวสติปัญญาไม่ใช่ต้นโพที่เป็นต้นไม้นะโพธิคือตัวสติปัญญาเราจะหนีจากที่ตรงนี้ ให้อยู่ที่ตรงนี้ล่ะสี่วันห้าวันยังเหลืออยู่นี่ก็อยู่ที่ตรงนี้อย่างนี้ไปไหนมันสุขก็มีสติดูมันมันทุกข์ก็มีสติดูมันรู้มันเห็นมันอย่าเข้าไปเป็นกับมันบางทีมันมีอารมณ์รู้กาทําไปมันได้อารมณ์เกิดมามันรู้โน้นรู้นี่รู้รูปรู้น้ำรู้รูปทุกข์น้ำทุกข์มันตกแหล่งของความรู้มันก็เพลินไปกับความรู้ นั่งยิ้มเป็นเดือนก็มีอมยิ้มไปเป็นปีก็มีผลในสุดมันก็หมดเป็น่าเป็นผู้เป็นบางทีมันก็ถูกหลอกเหมือนกันนะอารมณ์ของกรรมฐานนึนกว่าตัวเองได้บรรลุทำขั้นสูงไปติดความรู้เทศไป mm hmm. ก็ในที่สุดก็หมดเพราะท่า น, นมันรู้ก็ดูมันมันไม่รู้ก็ดูมันถ้าเราเป็นผู้ดูนี่นี่แหละมั่ ผ่านเป็นทางผ่านถ้าตัวดูเนี่ยตาเป็นผู้เป็นเราเป็นทางตั น, นี่มักไม่ใช่ไปท่องเอาถาไม่ใช่สมา ท, ทิิสมากัรมันตะมักก็คือดูนี่แหละมันเกิด อ, อะไรขึ้นมาก็ดูมันเอาสติคือตาไหนเป็นผู้ดูผู้เห็นมันดูทันมันมเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติแบบนี้มันรัดมันรัดที่สุด ไม่ต้องไปอ่านไปเรียนหนังสือง่ายกับมือเดียวไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายไปไม่ต้องไปเรียนกรรมฐ า, านสี่สิบอารมณ์สี่สิบอะไรต่างๆไม่ต้องไปเรียนหรอกถ้าเราเป็นผู้ดูมันนี่แหละนี่จุดต่อนจุดตอนของกิเลสทั้งหมดของโลกทั้งแปดพันสี่พันเรื่องมันมันมีจุดตอนมันก็ช่างตัวใหญ่ๆตัวโตวมันก็มีจุดตอนของมันหัวควายเั็นตัวใหญ่กว่าเรา เราสนตะภายมันได้เราจับมันมันก็อยู่ท้างตัวใหญ่เราขึ้นขี่คอมันเอาคะสับหัวมันก็ยอมรถแท็กเตอร์คันใหญ่ๆที่มันมีกำลังมากๆเราขึ้นนั่งล้วก็จับถูกที่มันก็พาดันพาชนต้นไม้กูเขาพังทลายไปอันการปฏิบัติธรรมก็บนกันไม่ต้องไปเรียนรู้เลยมากมายมันมีจุดอ่อน มันมีจุดออนมันมีกุญแจพอ <c oughs> เรามาเจริญสตินี่ถ้าเป็นผู้ดูมันนี่จุดอ่อนอะไรทั้งหมดพังทลายไปเลยปัญหาไม่มีแน่นอนถ้าเราจับจุดอ่อนไม่ได้ก็เรื่องมากมันก็กเราแก้ปมได้ที่มันมน่นมันยุ่งเหยิงสับสนถ้าเราจับซ้นมันได้ ด, ด, ดีก็มีโอกาสที่จะคลี่ออกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ดีปัญหาคว ด, ดีตัวสติ สัมปชัญญะตัวนี้แหละเป็นตัวถลุงตัวย่อยออกเห็นเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นรูปเป็นนามเป็นเรื่องเป็นลาไปจนไม่มีปัญหาในชีวิตการเจริญสติปัฏฐานอย่างที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นวิธีรัดจริงๆลัด จ, จนตามไม่ทันบางทีเราทําไปทําไปทําไป จิตใจมันสูงขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวมองกลับไปคืนทั้งข้างหลังเราทำไม่ลงแต่ก่อนไม่รู้ว่ามันผ่านไปได้ยังไงพอมองคืนข้างหลังว่าโอ้แต่ก่อนเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นดี๋ยวนี้เราทำไม่ลงก็เลยสิ่งใดที่มันหมดไปมันก็รู้ว่ามันหมดไปโดยไม่รู้สึกตัวจะ ก, กลับเข้าไปเอามันอีกมันเอาไม่ลงสิ่งใดหลุดพ้นไปก็รู้ว่ามันหลุดออกไปแล้วพ้นไปแล้ว หมดไปแล้วหมดปัญหาไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อดับเย็นหรือว่าปัญญนิพานคือเย็นลอกไม่ฟูไม่แฟดไม่พงไม่แตงจะคิดเรื่องใดมันก็ไม่มีปัญหาผลที่สุดภาระที่จะต้องทำไปอีกมันไม่นี่งชีวิตของคนก็จบตอนนั้นเอง เรื่องศาสนาก็คือมาศึกษาเรื่องชีวิตจะมันจบไม่มีปัญหาเรื่องกายเรื่องใจไอ้ใครไปท่องไปเรียนเอาตามหลักปริยัติถ้าใครไม่มีทุกปัญหาเข้อกายเข้อใจกายไม่บังเบียดกันใจกายไม่บังเบียดใจใจไม่บังเบียดกายมีสติเข้าไปรู้เท่ารู้ทันตามความเป็นจริงมันก็มีอยู่ที่เท่านี้อยู่นี่อยู่ที่ตรงนี้ไม่ต้องไปศึกษาที่อื่นหรอก ยกนี่แหละพระตใจไปดกคือนั่งอยู่นี่แหละเรียนลูกเข้าไปมีสติเป็นกุญแจถลุงเข้าไปย่อยเข้าไปในที่สุดก็ชีวิตเราก็มีค่ามีราคามีประโยชน์ขึ้นมาถ้าไม่รู้เรื่องนี้ไม่มีประโยชน์ตายทิ้งเ ป, ะปะล่าๆเรางขอรับรองว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้พูด ไม่ได้พูดปดมีจริงเห็นจริงปฏิบัติจริงก็ได้จริงเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการในเวลาทำคราวใดถ้าทำถูกก็ได้ผลทันทีพาาระอรหันต์ก็ไม่ว่างจากโลกมรรคผลนผิพพานไม่เสื่องจากโลกยังมีอยู่ตราดใดที่พวกเราพากันอยู่โดยชอบอยู่โดยชอบคืออยู่คือเป็นผู้ดูอยู่โดยชอบคือเป็นผู้ดูมัน เมื่อเราอยู่โดยชอบโลกกะไม่ว่างจากพระละหัน์สเกเนฟิกเวฟิกุสัมมาวิหัรเลยยุงอสุนโยโลโกะละหันเตหิสักทิสุทั้งหลายเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบแล้วไซโลกกะไม่ว่างจากพระละหัน์อยู่โดยชอบไม่ใช่นั่งไม่ใช่อยู่วัดไม่ใช่อยู่ที่ไหนทั้งหมดนลยนะอยู่โดยอยู่โดยชอบก็คือเป็นผู้ดูนนะชอบที่สุดเราเป็นผู้ดู มันเลยว่าไม่มีการไม่มีเวลาขอให้เราทั้งหลายได้จัดสรรตัวเองให้ได้อยู่โดยชอบไม่มีใครที่เป็นครูอาจารย์เท่ากับตัวเราเองดอกไปเชลอายคนเด่นแล้วไม่ทำแล้วคนนั่นจะว่าคนนี้จะไม่ว่าทำเพื่ออะไรต่างๆไ ม, ไม่ถูกทำเพื่อเจริญสติญาดีเล่มีกนมีมายาสตัยทำด้วยศรัทธาจริงๆ อะไรที่มันหลงลืมไปก็เตือนตอนเองขี้ตัวเองอมันหลงก็เข็ดมันก็เข็ดราบแต่มันเผยคิดไปก็เข็ดรากให้ถือว่าเป็นเรื่องที่อสอนตัวเองไม่ใช่อ่อนเอะบางทีความคิดเนี่ยนะบางทีประมาทในความคิดก็มีที่แรกก็คิดเล่นๆคิดไปคิดไปก็เป็นเรื่องใหญ่เอายากแยกยากเพราะอยากประมาทในความคิด อย่าประมาทในการกระทําำให้มีสติรู้มันแม้แต่เป็นเรื่องเล็กๆ น, น้อยๆก็ <Yeah. S 1> ก็อย่าประมาทมันจะเจ๊ยากความคิดเนี่ยก็เจ๊ยากถ้าเราคิดเรื่องนั้นบ่อยๆคิดเรื่องนั้นมาก็เป็นนิสัยขึ้นมา ก, การกระทําก็เหมือนกันทําทำเล็ก ๆ, ๆน้อยๆก็อาจจะกลายเป็นนิสัยเป็นเรื่องใหญ่เจ๊ยากเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอยู่โดยชอบมีสติสมชัญญะเป็นผู้ดูมันทักท้วงมัน พักทวงมันเมื่อมันหลงไปก็ที่โทษมันรู้มีความละอายแกตัวเองไม่ใช่ละอายต่อคนอื่นวิธีเจริญสติปัฏฐานให้มันมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นมหาสติแต่มันเป็นมหาสติมันก็ใช่ไม่หมดเราอย่าเพิ่งไปใช้มันในช่วงนี้ให้เก็บให้มากให้รู้ให้มากเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอา อย่าใช่ไปทางตาอย่าใช่ไปทางหูอย่าใช่ไปทางจมูกลิ่มกายใจอย่าใช่มันให้มีแต่เจ็บแต่าทางตาก็เจ็บทางหูก็เจ็บทางจมูกลิ่นกายใจก็เจ็บเอาอย่าพึงใช่มันให้มีแต่เจ็บเจ็บเจ็บเอาไว้มากๆอยู่ให้มากอย่างนี้ไปผลที่สุดก็ธรรมชาตินะก็สอนเราเป็นเหตุเป็นปัจจัยธรรมชาติเลยเป็นครูอาจารย์เรา พอเราทุกคนจงใช้ชีวิตให้มันเกิดประโยชน์ใจตัวเราเองเรามาอยู่ร่วมกันนี่มันเป็นสร้างความอบอุ่นเป็นนิมิตที่ดีแล้วก็พึ่งกันอาศัยกันเกิดความอบอุ่นขึ้นมายีนเตีนหาเรื่องใดก็ถามกันอาจจะเกิดประโยชน์ได้ง่ายเจ็ดวันไม่ใช่น้อยอถ้าเราทําถูกแต่เราทําไม่ถูกเจ็ดวันนี่ก็ไม่มีอะไรถ้าอยู่โดยชอบเจ็ดวันไม่ใช่เรื่องนิดเดียวเรื่องมาก พระเจ้าทำถูกเพียงคืนเดียวได้ตัดเชลูกขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าที่พูดในวันนี้ก็เป็นการอพูดตามความรู้สึกไม่ได้จําตามหลักตำรามาพูดพูดจากความรู้สึกเพราะได้ทํามาแบบนั้นก็ เ, เกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงๆได้ผลขึ้นมาจริงๆก็ขอให้เราทั้งหลายจงใช้ชีวิตที่มันเหลืออยู่นี้ให้อยู่โดยชอบจงเป็นผู้ดู เมื่อเราเป็นผู้ดูมันก็จะได้ประสบกับความสำเร็จถึงมักถึงผลขอให้ท่านทั้งหลายผู้ที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ในที่นี้จงได้ประสบกับความไม่มีทุกข์ความสุขกเกษมจากปัญหาต่างๆจบในชีวิตไม่มีเรื่องที่ต้องทำต่อไปอีกแล้วจงได้ประสบโดยการทุกๆคนเถอ